ระหังสัมมาสานุตรภะคะวาพระภูมิประวัติพระแล้วลา สันดานกับธรรมวาจนาเด็กชายสิงห์เป็นบุตรของนายศาลและนางสิงห์คํา เป็น 1 ในเป 8 ตระกูลเก่าแก่ 26 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2452 เวลาประมาณ 19 19:00 น. น, น, นเมื่อใกล้กำหนด เปล่งปลั่งเรืองรองออกมาจากร่างแลดูเป ไม่อาจยืนยันได้ว่า 20 นาทีนางก็ให้กําเนิดเด็กชาย เด็กชายศิษย์ 5 มี 10 คนเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสระพังทอง 2 สมัยก่อนไม่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน มีเพื่อนร่วมห้อง 10 คนท่านได้เป็นผู้ 26 กุมภาพันธ์ปี 2469 ขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 ซึ่งเป็นอายุ 17 ปีได้เข้า ที่วัดศรีรัตนารามบ้านบัวบ้านเกิดโดยมีพระ อย่างสม่ำเสมอครั้งหนึ่งพระอาจารย์ใช้ให้ขุดน้ําบ่อสามเณรศิษย์ก็ขุดติดต่อกันมาหลายวันจนลึกมากก็ยัง สามเณร 10 มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศที่บ้านบัวมีพระ ซึ่งขณะนั้นท่านได้ 8 กรกดาคมพุทธศักราช 2469 ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ให้พระธรรมเจดียัสติ บื้อครั้งเป็นพระครูชิโนวาทํรงเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงขันตยาขโม 25 รูปสามเณร 1 รูปพระ เจ้าพระแดงวัดโพชัยพระแดงทิตวิริโยวัด 3 ผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพระอาจารย์ศรีลาอิสโรวัดโพชัยบ้านวาใหญ่ตำบลวาใหญ่จังหวัดสกลนครอาญา บ้านหนองตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้ยติใหม่เป็นสามเณรสังกัดธรรมยุต 2470 พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สิงห์และพระ อุบาสิกาไม่ต่ำกว่า 50 ถึง 70 คนเป็นกองทัพธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์มั่นประกาศพระธรรม ภรรษาแรกนี้คณะกรองทัพธรรมได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านคา ถือว่าเป็นเรื่องดีงามท่านเป็นเพียงสามเณรเท่านั้นได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ผู้ทรง และท่านได้เตือนสามเณรศิษย์ว่าเนนศิษย์เมื่อยังมี จนกระทั่งถึงบ้านหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาพระอาจารย์มั่นได้นําคณะกองทัพ ในปีพุทธศักราช 2471ณที่แห่งนั้นและเรียกว่าวัดป่าท่าวังหินตําบลหัว คือรายล้อมต่างนั่งกันแน่วนิ่งสงบไม่ไหวติงจวบทุกๆท่านต่างเพิกถอนจากสมาธิแล้วสายตาของท่านอาจารย์ พระอาจารย์มั่นได้ประชุมสงฆ์สอนเรื่องการปฏิบัติในข้อๆให้ถูกต้องตรงความเดียวกันการฝึก สามเณรสินได้ติดตามพระอาจารย์สิงขันทยาขโมออกทุรดง เป็นผู้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเปเป 16 กรกฎาคมพุทธศักราช 2472 ตรงกับท่านพระอาจารย์มั่นอังคารขึ้น 10 ค่ําเดือน 8 จังหวัดขอนแก่นมะเส็งท่านแปลว่าอาจารย์มันได้ เมื่อครั้งท่านเป็นพระครูพิสารอรัญญคีตเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงขันตยาขโมเป็นพระ หลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกเป็นเจ้าอาวาสหลังจากมอบให้ท่านพระอาจารย์สิงห์จัดการเรื่องการอุปสมบทของพระภิกษุสิงห์แล้วท่านพระอาจารย์มันได้เดินทางธุดงค์มาชิงใหม่และจำพรรษาอยู่ 10 พรรษาคือตั้งแต่ปี 2472 ถึง 2482 ในพรรษานั้นได้ ฝึกพิจารณาปลงอสุภกรรมฐานด้วยการพิจารณาซากศพที่ป่าชาบ้าน และภายหลังท่านนำมาเป็นอุบายสั่งสอนให้ 2474 ทุดงไป แต่อาพาธด้วยไข้มาลาเรียจึงได้จําพรรษาที่วัดป่าที่ 4 กลับไปจําพรรษาวัดป่าบ้านเหล่า 2476 พรรษาที่ 5 ทุดงผ่านบ้านเหล่านาดี ปี 2477 ทุดงไปยังภูหันอำเภอพลผ่านบ้านหนองหัวฟานอำเภอบัวใหญ่อำเภอขามสะแกแสงอำเภอโนนทัยและจำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอ 2478 สร้างวัดใหม่ขึ้น พร้อมกับพระอาจารย์สิงขัณฑยาขโมจะเห็นได้ว่าช่วงออกพรรษาพระภิกษุสิงห์ได้ เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าทิ้งการภาวนาปีพุทธศักราช 2479 สมเด็จพระมหากวีรบกรอ้วนติดโสวัดบรมนิเวศน์เขตปทุมวัน และเกิดชื่นชอบถูกใจจึงเอ่ยและเป็นโอกาสดีขอกับ ยังได้เป็นพระอาจารย์ได้เป็นพระอาจารย์อบรม 2480 พระอาจารย์สิงห์เดิน เพื่อเป็นที่อบรมการภาวนาแก่ญาติโยมทั้งหลาย 30 ไร่ให้ตั้งวัดขึ้น แปลว่าอารามของสงผู้สงบปัจจุบันมีพระครูสันตยาภิมลหลวงปู่บัวไขสันตะจิตโตเป็นเจ้าอาวาสหลังจากออกพรรษาแล้ว เพื่อตามหาท่าน 2481 พรรษา 10 พระอาจารย์สิงห์ได้อยู่จําพรรษาที่ ปลายปีพุทธศักราช 2481 หลังออกพรรษาพระอาจารย์สิวก็ทุรดงขึ้นเหนือ จะสร้างพระพุทธรูปขนาดเท่านี้สักองค์หนึ่งจนกระทั่งถึงได้ ตอนฤดูแล้งจนใกล้เข้าพันษาหลวงปู่มั่นจึงสั่งให้พระอาจารย์ 2482 หลังออกพันษาพันธุโลวัดโพธิสมภรเดิน ปีพุทธศักราช 2482 ถึง 2484 พระอาจารย์สิงห์เดินทางไปจําทางษาที่สํานักสงฆ์ ปุริทัตโตเมื่อออกพรรษาก็ทุรดง 2485 ถึง 2487 พรรษา 14 16 พระอาจารย์สิงห์จําพรรษาที่ ปัจจุบันคือมีพระราชพุทธิโมงคลโรงธรรมสามัคคีมีพระราชพุทธิมงคลหลวงปู่ทองมงัวตันติโกโร พระอาจารย์กู่ธรรมทิโนพระอาจารย์กว่าสุมโนพระอาจารย์ตื้ออัจจละธโมพระสุจินโนเป็นต้นตลอดระยะเวลา สอนอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นที่เลื่องลือ 2485 หลัง หลวงวัดป่าวิเวคธรรมจามมหาบุญโยวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดมุกดาหารร้างหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันจากนั้นกรุงเทพมหานครไปยัง พร้อมได้ย้ายสำนักสงฆ์ป่าสะคงคานไปตั้ง 2488 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นเกิดสงครามโลกครั้ง ได้นี้ 5 ถึง 7 รูปให้จําพรรษาพรรษาที่ 17 อยู่ที่ถ้ําผาพัวเชิงเขาห้วยอีลิง ทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิเมื่อมีทหารญี่ปุ่นมาสอบแหนมเนื่องจาก ให้นายทหารญี่ปุ่นเข้าใจได้นอกจากนี้ 25 กม. เพื่อเป็นกําลังใจในการ อาจารย์หรือเขียนพระธรรมเทศนาตำรายาและตำราบริโภคเป็นครั้งแรกฝายน้ําล้นแห่งนี้ ที่พระอาจารย์สิงห์ทดลองสร้างเก็บ 2489 อายุ 37 ปีพรรษา 18 ได้มาจําพรรษาอยู่ที่บ้าน มีภรรยาเป็นคนไทยคือแม่เลี้ยงดอกจันทร์กิรติปาลเป็น ได้ถอดเอาประตูหน้าต่างออกมาเผาเพื่อผิงไฟจึงได้ 100 ไร่เคยใช้เป็นไร่ปลูก ณสถานที่นี้เอง 9 กรกฎาคมพุทธศักราช 2491 สามเณรทองอินแก้วตาได้ทํา พระธรรมนิโลกครับเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สิงห์พุทธาจารโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์และมี นางสาวนิ่มขิมแซ่แห่งหรือแม่นิ่มนวลสุภาวงศ์ได้พุทธาจารูตามคําชักชวนของคุณแม่ ในระหว่างแสดงพระธรรมเทศนาพระอาจารย์สิงห์ที่ปรารภ 2490 ถึง 2491 อายุ 38 39 ปี พรรษา 19 และ 20 แลแลเพราะอาจารย์สิงห์จําเป็นต้องไปจําพรรษาที่วัดโรงธรรม เป็นผู้บริจาค 2492 2496 อายุ 40 44 ปีพรรษา 21 25 พระมีนายน้อยเงินสิงห์พร้อมด้วยคณะศรัทธามี มีอิฐมีกระเบื้องมีแนวกำแพงและมีเนินโบสถ์หรือวิหารต่อมาภาย ขุดบ่อน้ํา 7 บ่อ 13 มกราคมพุทธศักราช 2492 ได้ทําการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม ฝ่าย 1, 1. พลตรีหลวง 2 ขุนไตร 3 ข้า 4 นาย 5 ร้อยตํารวจ 6 นาย ณนายเฉเหล๋ม 200 คนพรรษาพระภิกษุ 11 รูปสามเณร 9 รูปและในพรรษานี้ท่าน ท่านยังจัดตารางเรียนให้พระภิกษุ 2495 พระ ในได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าอาวาสได้พิจารณาเห็นว่าการดําเนินการสร้าง ที่จะนํามาใช้จ่ายดําเนินการก่อสร้างถึงเรื่องจําเป็นในขั้น ได้รู้เห็นก็จะได้บริจาคทรัพย์ช่วยกันก่อ การก่อสร้างพระ 2500 จึงได้กว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตรปีพุทธศักราช 2497 อายุ 45 ปีพรรษา 26 พระอาจารย์สิงห์เดินทาง เป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายโกนเข้าบรรพสาโยมแม่ ท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรสหธรรมิกที่เคยร่วม 5-6 ปีแล้วภูลังกาเป็นลักษณะ 70-80 องศาแต่ละช่วงเมตรคิด ประมาณ 3 กิโลเมตรในปัจจุบันนี้มีบันไดไม้และเหล็กช่วงให้เดินขึ้น หนทางขึ้นลงก็ลําบากยากต่อการบินทบาตความเป็นอยู่ แต่หัวกลอยเป็นต้นแต่การภาวนาที่ ปีพุทธศักราช 2498 ถึง 2503 อายุ 46 ถึง 52 ปีพรรษา 27 ถึง 32 ออกจากจำพรรษาที่ 2499 ท่านป่วย เมื่อครั้งได้ถวายการรักษาท่านเยี่ยมโยมเป็นผู้ดูแลเรื่องจัดส่งปิ่นโตคุณและนมผงถวายโดยมีพระอาจารย์จามเสียมภักดีได้ถวายการรักษา ปีพุทธศักราช 2500 ท่านไปช่วยพระอาจารย์แว่นธนปาโลธรรมัทโรวัดถ้ำพระ 25 พุทธศตวรรษเป็นเวลา 15 วันวันที่ 5 ธันวาคมพุทธศักราช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภัสสาพระบาทสมเด็จแปลกว่าเจ้าอยู่หัวพระ เพื่อเยี่ยมพระครูศีลสารมิมนต์พระพี่ชายของพระอาจารย์บุญเพ็งกัปปโก คุณารามอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ขึ้นไปปฏิบัติภาวนาอยู่บนภูกระดิงๆบริเวณ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 หลังออกพรรษาพระอาจารย์สิงห์ได้ทุรดมจาริกมาทางอำเภอๆปีใน จึงได้มากราบซึ่งอยู่สูงพอประมาณให้พระอาจารย์ทราบและนำทางพา เดินทะลุเข้าออกได้จึงตั้งชื่อว่าถ้ำผาปล่องหลังเด 2 เดือน 3 เดือนบ้าง 2504 หลวง 53 ปีพรรษา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการสหธรรมิกที่คุ้นเคยสนิท ท่านจึงได้เป็นผู้รักษาอาคารเจ้าอาวาส 2505 ถึง 2506 วัดสันติธรรมได้อยู่ชนะกลมสาเหตุเนื่องจากหลวงพ่อศิษย์ไปอยู่จําพรรษาที่วัดอโศการามเมื่อทายกทายิกาวัดบาทนับเป็น ที่หรือจะกล่าวได้ว่ามีต่อหลวงพ่อศิษย์หรือจะกล่าวได้ มีจันทร์ให้พระมหาธงอินทกุสลจิตโตซึ่งเป็นศิษย์ของท่านขณะ และคุณชูศักดิ์กุศลวงศ์ท่านเหล่านี้นอกจากขนขวายชัก อาพาธต้องหยุดพักรักษาตัวโรคตายอย่างแรงต้องหยุดพัก 2509 พรรษา 39 หลวงพ่อสิงห์ ปี 2510 ด้วยปัญหาสุขภาพของท่านหลวงพ่อศิษย์จึงได้ตัด 2 ต่อปัจจุบันวัดสันติธรรม ศีนวลวิมลโลเป็น 2510 พรรษา 39 เมื่อหลวงพ่อศิษย์ได้ลา 29 เมษายนพุทธศักราช 2510 หลวงพ่อศิษย์ 16 รูปสามเณรรูป โยม 4 คนเริ่มไปบุกเบิกพัฒนาถ้ำผาปลอกโดยคณะพระภิกษุสามเณรไป นับตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ตื้ออจละธโมหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ขาวปัจจุบันคือวัดถ้ำ เมื่อถึงระยะเวลาใกล้เข้าพรรษาจึงได้ทำที่พักที่ผาเกิ้งเชียงตุงศิษย์วัด 4 คนคือ และในวันที่ 24 ตุลาคมพุทธศักราช 2511 ได้อาราธนาพระมาเจริญจํานวน 6 รูปมี 1 พระ 2 พระอาจารย์เจริญ 3 พระบุญกู้สุนทรวัดพระศรีมหาธาตุ 4 พระเหลี่ยม 5 พระและ 6 พระยก 1 คุณ 2 คุณบุญตันบุญ 3 นาย 4 ทหารแดงแดง 5 เด็กชายนวล 6 เด็กหญิงนก 12 พฤษภาคมพุทธศักราช 2512 คณะศรัทธาร่วมกัน 1 องค์หน้า 31 นิ้วน้ำ 394 กิโลกรัม เป็นพระประธาน 4 สิงหาคมพุทธศักราช 2512 ได้ฉลองสมโภชพระพุทธชินราชเป็นประธานโดยมีพระราชวินยาภรณ์พระ หลวงปู่สิหมเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 20 องค์ที่เสียรพระ 500 ขั้นเดิมขุดดินเป็นขั้นบันได ต่อมาจึงปรับปรุงเทปูนเพื่อให้เดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็กุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปโวและพระพุทธโคดมมาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์ให้พากันตั้งอยู่ในความสงบจะพูดจาปราศรัยอะไรกันก็ให้มีเสียงเบาดังพุทธภาสิตเขียนไว้ประจำถ้ำมหาปล่องว่านัตถิสันติปรังสุขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบแรกๆหลวงปู่จะ 63 ใจซึ่งเป็นบ้านทรงไทยกรุงเทพฯซึ่งเป็น รับการอบรมปฏิบัติภาวนาการอบรมปฏิบัติภาวนาหลวงปู่ศิษย์ได้จด 2512 ถึง 2513 ได้อาศัย จากนายเป็นอย่างมากสมเกียรติทรงเกียรติคุณเป็นอย่าง 2495 จนสําเร็จ 18 ปีสําเร็จได้ด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์ อุบาสิกาผู้มีแรงศรัทธาอันแก่กล้าผู้ยืนกว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตรสูง 30 เมตรสิ้น 782910 บาท 10 สตางค์วันที่ 11 มีนาคมพุทธศักราช 2513 คณะประชิดยอดดอยถ้ำผาปล่องมี 2 พระ 3 พระ 4 พระ 5 สามเณร 6 สามเณรน้อย ขึ้นไปปักไว้บนยอดเขาไปปักไว้ 800 เมตรทางเดินเป็นผาสูงชันเต็มไป สามารถติดตั้งเสาธงได้สําเร็จเป็นครั้งแรกเพื่อ จะมีผู้ใดบ้างที่จะสามารถๆไปวันที่ 2513 สมเด็จพระอริยวงศ์สาฆฏญาณสมเด็จจวนอุทายีมหาเถระ เสด็จเป็นประธานพิธีผูก 2513 ถึง 2514 พรรษา 42 ถึง 43 หลวงปู่ศิษย์ประจําพรรษาที่ ด้านใต้ทางวัดศีรัตนารามทางวัดศรีรัตนารามวัดที่หลวงปู่บัว 9 มีนาคมพุทธศักราช 2514 เวลา 8:15 น. วันสันติเจดีที่วัดสันติธรรมสันติรุ่นสันติเจดีที่วัดสันติธรรม 2516 หลวงปู่ตื้ออาจารธโมสหาย ผมจะขอหลาท่านกลับไปบ้านเกิดจะขอลาท่านกลับไปบ้านเกิดจะเอา 2482 เมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ศิษย์รุ่นต่อไปที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังคือ 2516 นี้บรรดาคณะ สมัยที่ท่านมาพำนักบําเพ็ญในขณะนั้นสมณธรรมณบริเวณ ในการครอบครองทำกินหมดแล้วคงเหลือเฉพาะพื้นที่ป่าที่มีซากปรักหักพังอยู่เฉพาะที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาบำเพ็ญเพียรเพียง 1 ไร่ได้ประมาณ 8 ไร่รวมเป็นรวมเป็น 9 ไร่เศษ ที่สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องหลวงปู่ศิษย์จึงได้ ไปเป็นประธานสงฆ์ไป 22 ตุลาคมพุทธศักราช 2528 ได้รับอนุญาตจากปัจจุบันมีพระ ที่ 10 ถึง 24 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2519 หลวงปู่ได้เดินทางสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2519 ท่านได้นําคณะพระภิกษุศรัทธา ในวันโตตมะท่านประทับใจในความตั้งมั่นที่ ของพระสุทธิธรรมรังสีวันที่เมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการให้เหยียน 15 กุมภาพันธ์ 2519 วัน 15 ค่ํา 3 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ถึง 17:20 น. น. พระภิกษุที่ร่วมเดินทาง 31 รูปและ 18 รูปวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 ในตอนเช้าเวลา 6:35 น. น, น. น. ไปนมัสการ สัทธาสาธุชนดูแลว่าสถานที่ตรงนี้ แม่น้ำคงคาปราสาทอนาถบิณฑกเศรษฐี 7 ชั้นวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งพระพุทธองค์จำพรรษา 19 พรรษาวัดบุพพาราม 6 พรรษาสวนลุมพินีสถานที่ประสูติไป ใน 2525 นอกจากนี้หลวงปู่ยังมีเช่นปีหนังประเทศมาเลเซียกรุงลอนดอนประเทศ 15 มีนาคมพุทธศักราช 2519 สมเด็จพระ วาดวาสนะมหาเถระวัดราชบพิตรศถิตมหาสีมารามเสด็จ 2519 ถึง 2520 พรรษา 48 ถึง 49 ไปจําพรรษา ตั้งแต่ปี 2513 ถึง 2514 พร้อมทั้งสร้างศาลาการบริเวณสร้าง 12 หลัง 20 หลังสร้างกุฏิรับ 2523 ใน 2521 ใน แวะเวียนมาดูการก่อสร้างอุโบสถที่วัดสันติสังขารามบ้านหมู่บ้านนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้พ่อบ้านกุดน้ำใสบ้านสายร่อง ที่จะสร้างฝายน้ําล้น 21 มกราคมปี 2522 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 4 ค่ําเดือน 2 ปีมะเมียได้มี มีพระครูสันติวรญาณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสันตยาภิมลพระอาจารย์บัวไขเจ้าอาวาสวัดสันติสังฆารามและเจ้าคณะตำบลพรรณานิคมเขต 1 มหานิกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์ใน ญาณวัตนูและพระอาจารย์ชวรรัตน์กรรมสุทโธเป็นต้นมีนายวิสิทธิ์วรรณศิริในอำเภอพนานิคมเอี่ยมนางสมบูรณ์สารวัตร 13 หมู่บ้านพร้อมคน ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรว่าควรสร้างฝายน้ําล้น บริเวณที่จะสร้างฝายได้แบ่งกลุ่มผู้ทํางานออกเป็น 2 ชุด โดยมีนายคานนางพรหมสุนัและนายมานางไหลสุขใจเป็นหลักเช่นรถ หลวงปู่ติดต่อ 10 ล้อมาช่วย 8 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2522 เวลา 15:00 น. เป็นวันแรกเริ่มของการทิ้ง 6 ล้อ Toyota L นายมากชัยศรีบ้านสูเนิน เป็นผู้ที่สู้งาน 20-30 คนแต่มีงานหลายอย่างมือ 2 มาเพื่อรับ 32 บ้านโคกเสา โดยการนำของพันโทเกิดเขตพื้นไม้กระดานได้มาช่วยทํา อยู่ในป่าไผ่รอบบริเวณทําฝายและมี เสมือนเป็นอุบายอีก 2528 กรมชลประทานอนุมัติในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณมาสร้าง ฝ่ายน้ําน้นกั้นลําน้ําอูนนี้นับว่าได้อํานวือประโยชน์กระชาบ้านเกษตรกรในระแวกนั้นอย่างมาก 1,000 ไร่ทั้งต้นไม้ของสองฝั่งลําน้ําอู่นก็เขียวคจีตลอดติอีกทั้งมีปลาชุกชุมมากมายน้ําหบอกที่เคยขุดด้วยความยากกลําบากก็ขุดง่ายขึ้นเนื่องจากความอิ่มตัวของน้ํานั่นเอง ปี 2522 หลังจากทําฝายน้ําอุ่นเสร็จแล้วพระภิกษุสามเณร ก็สร้างเป็นที่พักศงค์และขอพระภิกษุสามเณร 1 2 คนไร่รวม 114 ไร่ พระอาจารย์เจริญวัฒโนจากวัดสันติสังฆารามบ้านบัวในวันที่ 23 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2523 หลวง ที่รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นอุโบสถวัดสันติสังฆารามและที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็น ในช่วง 2524 ในหลวงสงเพลย์พระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนักภูผา 20,000 บาทเพื่อสร้างศาลาการ ประรين ใหม่ 12 มิถุนายนพุทธศักราช 2545 สํานักสงฆ์เวรุวันสันติวรญาณได้ ปัจจุบันมีพระครูสุทธิธรรม 2527 หลวงปู่ศิริได้ปัจจุบันบวชเป็นพระจํานวน 48 ไร่ 10 ตาราง มีมติให้สร้างเป็นวัดประจําหมู่บ้านกุลธิดาตลอดจนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดย 7 กันยายนพุทธศักราช 2529 คมการ ณ30 มกราคมพุทธศักราช 2530 ให้ชื่อว่าชื่อว่า 2527 นี้การตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาของ 2481 ก็สำเร็จผลใน 2519 ได้มีศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ถวายหลวงปู่จึงบอกกับมีแต่หลวงพ่อพระพุทธจินตราชตรงนั้นงาม หลวงปู่ท่านบอกว่าพระพุทธจินตราชจำลอง 2532 ที่วัดสันติสังฆารามบ้าน เป็นผู้ควบคุมดูแลการสร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธชินราช 9 กาญจนาภิเษกติดต่ออาจารย์วริดาเพิ่ง ใน 2529 ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์และคณะศรัทธาสาธุชน 80 ปีในวันที่ 26 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2532 จึงได้นําเสนอเรื่อง ในขณะนั้นขณะนั้นหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรี 6 มีนาคมพุทธศักราช 2529 แต่ 80 ปีใน 2532 ปี 2535 อายุ 83 ปีพรรษา 63 วันที่ที่ 23 มกราคมพุทธศักราช 2535 หลวงปู่ได้เป็นประธานเททองหล่อรูป 37 เพื่อนํามาประดิษฐาน วันที่ 23 พฤษภาคมพุทธศักราช 2535 จากสมุดพระคูสันติวรยานประจําวันของหลวงปู่บันทึกไว้ หลวงปู่สั่งงดรับนิมนต์ 2535 เมื่อเจดีย์เสร็จสมบูรณ์แล้วหลวงปู่ แม้บางวัน 5 กรกฎาคมพุทธศักราช 2536 ได้รับพระราชทานนามเจดีจากสมเด็จว่าพระธาตุเจดี 2, 2 วันหลวงปู่ ท่านที่ที่หลวงปู่เคยไปปรดเดือนท่านไปเทศนาอบรมสั่ง 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2535 ก่อน ท่านได้จดชื่อพระเนตร 18 รูปแม่ 3 คนคฤหัสถ์ 4 คนมี 1 คนเวลา 19:00 น. มีการขนาด 5 นิ้วจํานวน 62 องค์เท่าจํานวนพรรษาที่ 4 นายเพื่อนบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกหลวงปู่ได้บรรจง 2510 ถึง 2535 พรรษา 39 ถึง 63 หลวงปู่ จนถึงวัน 4 30 รูปมาโดยตลอดมาโดยตลอดในวันที่ 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2535 ได้รับพระ พระครูสันติวรญาณเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระญาณสิทธาจารย์ เพื่อให้คณะศิษย์ทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 13 สิงหาคมพุทธศักราช 2535 หลังจาก พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์พุทธาจารูได้เข้าพักจำวัด ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันถึง 6:00 น. น, น, น, นของ 14 สิงหาคมพุทธศักราช 2535 รวม 83 ปีพรรษา 63 ท่านได้จำ 21 ปี ในวันที่วันที่ 22 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2536 วันพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระ เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พุทธศาสนิกชนประชาชนชนพร้อมศิษย์ญาณุศิษย์ทั่ว หลังจากงานจึงแต่งตั้งให้ราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์จังหวัด 2541 จึงได้มีการแต่งตั้งให้ได้มีเป็นหัวหน้าผู้ปกครองแต่งตั้งให้ 2552 เนื่อง 100 ปีด้วยคุณ วันที่ 9 2552 นายหอมชื่นหอมชื่นในอำเภอชิมดาวได้น้อมถวาย จังหวัดเชียงใหม่ 2513 พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ศิษย์พุทธาจารโรได้พา เป็นการบอกให้เราสาท่านได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้า Jobs มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา mira ทั้งแหละว่าท่านได้ปฏิบัติตามแบบทรพทธเจ้าตาม อีกครั้งเคยมีตำนานพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่พระอรหันต์ในอดีตกาลมาทิ้งขันธ์ไว้ที่นี้หลายองค์บัดนี้ที่นี่จึงเป็นที่อยู่ที่แท้จริงของท่านเป็นสถานที่ท่านปักพงศ์ชัยพระอรหันต์ให้ได้รู้กันในบรรดาสาธุชนสิทธิ์และ เพื่อมูลสู่กระแส 2552 นี้เป็นปีวาระครบ 100 ปีชาติกาลพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์ จึงพร้อมใจกันเรียบเรียงชีวประวัติและมรดกธรรมของ พุทโธพุทโธพุทโธเป็นนิดรักษาดวงจิตทุกลมหาย सरणं गच्छामि धंवं सरणं गच्छामि संधं सरणं गच्छामि